มาขึ้นมิเรนถ้ปัญหาเลยนะหน้าสอง้อยสี่สิบกเมนท่ากาปัญหาต่อไปเนี่ยน ะ, ะปัญหาที่สามวัตถุคุยหะนิทัศน์ปัญหาเป็นปัญหาที่เจาะลึกมากว่างั้นพระเจ้ามิลินก็ถามพราาะนัเกษณว่าพระคุณเจ้า พระาธถาคตทรงพาสิทธความข้อนี้ไว้ว่ากาเยณสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวโรมนัสสังวโรสาธุสาธุสัพพะะสังวโรสาธุคำว่าสัสงวโรตัวนั้นแปลว่าสํารวมหรือว่าแปลว่าปิดกั้นเนี่ยนะภาษาไทยก็ตรงนี้ชัดเจนว่าความสํารวมทางกายเป็นเหตุทาประโยชน์ให้สาเร็จ ความสำรวมทางวาจาเป็นเหตุทำประโยชน์ให้สำเร็จความสำรวมทางใจเป็นเหตุทาประโยชน์ให้สำเร็จหรือว่าสาธุเนี่ยถ้าสำรวมแล้วดีการสำรวมกายเนี่ยเป็นความดีนะการสำรวมวาจาก็เป็นความดีการสำรวมใจก็เป็นความดีสาธุสัพพะถาสังวโรความสัมรวมทวารทั้งปวงคือตาหูจมูกลิ้นกายวาจาใจ เป็นเหตุนําประโยชน์มาให้นะนะสรรพธะก็คือสามารถนําประโยชน์มาให้ทั้งปวงประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์สัมปรายพ่ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งก็ต้องอาศัยสังวรทั้งหลายถ้าเป็นที่อื่นคําว่าสังวรเนี่ยนะมีสังวรนี่เป็นชื่อของการปิดกั้นด้วยคุณธรรม5ประการประการแรกเรียกว่าสีลสังวรการปิดกั้นบาปอกุศลด้วย ศีลอย่างที่สองอินทรีย์สังวรเนี่ยนะปิดกั้นบาปอากุศลไม่ให้ไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสติเรียก ว, ว่าอินทรีย์สังวรหรือสติสังวรการพิจารณาอารมณ์ในทวารทั้งหลายตามเป็นจริงเนี่ยนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นอันนี้ก็เป็นญาณสังวรหรือสติสังวรนั้นเป็นชื่อของวิปัสสนาทั้งหลายญาณสังวรก็เป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะอีกในหนึ่ง ปัญญาปิฏิยาเรนเนี่ยนะก็คือด้วยอาริยมรรคนั่นเองและต่อไปคันติสังวรเนี่ยนะมีความอดทนไม่ไม่คิดว่าความเย็นความร้อนความหนาวสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลไม่ถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อการเจริญคุณงามความดีอันนั้นก็เป็นขันติสังวรส่วนวิริยะสังวรก็เป็นการภาพเพียรพยายาม ปฏิบัติเพื่อกําจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอากุศลวิตกที่เกิดขึ้นคิดเรื่องไม่ดีเนี่ยนะบอกว่าก็ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามเป็นอย่างมากที่จะกําจัดความคิดที่ไม่ดีนะความคิดที่ไม่ดีเนี่ยต้องอาศัยวิริยะสังวรเป็นอย่างมากการที่จะห้ามบาปไม่ให้ไหลเข้ามาทางความคิดได้โดยปกติสังวรศัพท์เนี่ยนะหมายถึงศีลสังวรสติสังวร ญาณสังวรขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวร น, น, นะนะสังวรห้การที่มีสังวรห้าทางทวารตายทวารวาจาทวารใจแล้วก็ทวารทั้งปวงคือทวารตาหูจมกูกเล้นกายใจเนี่ยนะกายวาจาใจถ้าหากว่าจเจริญสังวรทั้งหในทวารทั้ง6หรือทวาร8ได้ก็ เป็นเหตุทำประโยชน์ให้สำเร็จแน่นี่นะแต่คำว่าสังวอนี่ไม่ใช่ว่าสํารวมเคริมหลับสนิทไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่แปลว่าการสร้างคุณธรรมหประการทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณธรรม5้าอย่างที่เป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้ามาก็คือศีล ส, สติญาณนะขันติและ วิรยิยะศีลก็คือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลและอวีติกมะศีลนั่นเองส่วนสติก็คือสติที่สัมปยุติกับกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปัสนาทั้งหลายอันนั้นก็เป็นสติสังวรแล้วก็ญาณนะสังวรก็คื อ, อถ้าระดับสูงสุดก็เป็นอริยมรรต์ถ้าระดับรองลงมาชั้นล่างๆหน่อยก็เป็นพิจารณาปัจจัยสีขึ้นไปนี่ ต่อไปส่วนขันติสังวรก็คืออโทสะหรือเมตตานีนะปิดด้วยอโทสะหรือปิดด้วยเมตตาเพราะคําว่าขันติเป็นชื่อของเมตตาทั้งหลาย mm hmm. ลเพราะาองค์ธรรมได้แก่อโทสะเนี่ยนะไม่โกรธไม่เครียดไม่หงดหงิดขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มผูนคุณธรรมทั้งหลายต่อไปได้ในทุกสภาพเพรียกว่า ด, ดินฟ้าอากาศและบุคคลสังคมสิ่งแวดล้อมนี่สุดท้ายก็คือวิริยะสังวรเนี่ยนะวิริยะสังวร สังวรทั้ง5้าก็คือมรค8ดนั่นแหละนะนะสีละสังวรคืออะไรก็คือสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอชีวะสติสังวรก็คือสัมมาสติวิริยะสังวรก็คือสัมมาสัมมาวายามะนะคันติสังวรเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มสัมมาสมาธิด้วยเนี่ยนะเพคนที่มีสมาธิดีความอดทนก็สูงวิริยะสังวรก็สัมมาวายามะครบหมดแล้วใช่ไหมยานสังวรสัมมาทิฏฐิ ถ้ากล่าวรวบรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือองค์มรรคทั้งหลายนั่นแหละพันการปิดกั้นที่จะสํารวมทวารกายวาจาใจเนี่ยเป็นเหตุยังประโยชน์ให้สําเร็จหรือทําให้สําเร็จประโยชน์ได้ก็คือคนที่สามารถเจริญมรรคแในทุกทวาร น, นั่นะเจริญมรรคแปดได้ในทุกทวารได้ถ้าเจริญตามนี้ได้ก็ยังประโยชน์คืออมะตะนิพานให้ สำเร็จใช่ไหมสาธุสพธัพพะทะสังวโรคือถ้าเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดในทุกทวารไม่ว่าจะทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้และที่สำคัญอีกในหนึ่งเนี่ยนะอย่างกายกับวาจานี่ก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมม า, าชีวะก็คือการสังวรทางกายวาจาถ้าสังวรทางใจละก็สัมมาทิฏฐ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้ก็เป็นการสังวรทางใจมันถ้าสังวรกายวาจาใจสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสังวรห้าก็ตามด้วยศีรขสามก็ตามด้วยองค์มรรคก็ตามก็สัพพะถะสัพพะถะนะสัพพะกับอัฏฐะอัฏฐะแปลว่าประโยชน์ก็สามารถทำประโยชน์ทั้งปวงให้ สำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โลกนี้ก็ตามประโยชน์โลกหน้าก็ตามโดยที่สุดแม้แต่ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็สําเร็จได้อันนี้เป็นข้อความที่มาจากคาถาธรรมบทอันนี้ก็ยังไม่ใช่ปัญหานะแต่มันจะมีเริ่มจะมีปัญหาเข้ามาว่าและยังมีคํากล่าวไว้อีกว่านะคือคือประเด็นนี้ก็ถือว่าตรงตัวใช่แต่เอาประเด็นที่ฟังแล้วมันขัดกันมาว่า พระตถ า, าคตประทับท่ามกลางบริษัทสี่ทรงแสดงพระวัตถุคุยหะเรยียกว่าอะไรนะแสดงของลับเลยแหละปกติที่ซ่อนอยู่ในฝักแกเสลพราม์เบื้องหน้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> พระคุณเจ้านาเกษตรถ้าหากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความสำรวมทางกายวาจาใจเป็นเหตุทำประโยชน์ให้สำเร็จการสารวมทวารทั้งปวงเป็นเหตุทาประโยชน์ให้สาเร็จถ้าพระผูธเจ้าตรัสอย่างนี้จริง อย่างนั้นนะคาที่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงของลับที่อยู่ในฝักให้แก่เสรพรามก็ต้องไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสังวรสอนสังวรยังไงเปิดอวัยวะเพศให้คนอื่นดูเ อ, อิมสังวรยังไงถ้าฟังแล้วบอกว่าสอนว่าสังวรแต่บอกแหมเปิดใมกระตั้งของลับถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าแสดงวัตถุคุยหาอันซ่อนอยู่ในฝักแก่เสรพรามจริง ถ้าอย่างนั้นนะคําที่บอกว่าความสํารวมกายวาจาใจเป็นเหตุให้สําเร็จความสํารวมทวารทั้งปวงอย่างประโยชน์ให้สําเร็จเนี่ยคํานี้ก็ต้องไม่ถูกต้องปัญหานี้ก็ถือว่าสงเงื่อนตกขึ้นแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหาอันนี้ด้วยเถิดพระนาคเษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธ์ข้อความนี้ในคาถาธรรมบทว่าความสํารวมกายเป็นเหตุทำประโยชน์ให้สําเร็จ อันนี้ก็จริงและพระองค์ทรงแสดงวัตถุคุยหะอันซ่อนอยู่ในฝักแก่เสรพราหมณ์ก็จริงขอถวายพระพรผู้ใดเกิดความสงสัยในองค์พระตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงใช้พระฤทธิ์แสดงพระกายอย่างอื่นเนี่ยอันมีส่วนเหมือนกับพระกายจริงนั้นแก่ผู้นั้นเพื่อให้เขารู้ให้เขาหายสงสัยเขาผู้เดียวเท่านั้นย่อมเห็นปาฏิหาริย์ในข้อนั้น ก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าถ้าจะมีการสงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยสามอย่างหนึ่งสงสัยพระจริยาคุณสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอดีตว่าพระองค์ทําสร้างบุญบารมีมาจริงหรืออย่างที่สองก็สงสัยในสริระคุณสรีรัคุณก็หยิบมาเช่นตั้งการนั่นแหละอันนี้ยกตัวอย่างว่าในมหาปุริสลักษณะก็คือของลับเนี่ยมันอยู่ในฝักว่างั้นแท้ของพระพุทธเจ้าอยู่ในฝักเหมือนกับช้างนะอยู่ในฝักแบบนั้นอ่ะทีนี้ อันนี้ก็เกิดความสงสัยว่าสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธคุณทั้งหลายว่าพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีวิชาและจารณะการมีวิชาจารณะก็คือการสำรวมไอการสำรวมเนี่ยนะเอ่อก็อะไรก็ถามว่าคนที่สำรวมนี่จะเปิดอวัยวะให้คนอื่นดูไหมเขาก็ไม่ทําอย่างนี้กันหรอกเนี่ยนะแต่นี้ประเด็น ก, ก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าทําอย่างนี้จริงก็ชื่อว่าไม่สำรวมถ้าสำรวมจริงก็ไม่ทำอย่างนี้ฟังแล้วมันก็ขัดกัน ซึ่งจากข้อความในเสรสูตรเนี่ยนะที่กล่าวมาโดยสรุปในหน้า252กล่าวว่าเมื่อเสรพราหมณ์ผู้มีความรู้ในลักษณะของท่านผู้เป็นมหาบุรุษหรือรู้จักมหาบุริศลักษณะของพระมหาบุรุษ32ประการเป็นอย่างดีเนี่ยนะได้เห็นพระมหาบุริษลักษณะทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยังคลางแคลงยังสงสัยในมหาบุริษลักษณะสองประการอ่นนะ สองประการที่ตนยังไม่เคยเห็นก็คือวัตถุคุยหะที่ซ่อนอยู่ในฝักและพระชิวหาที่กว้างและยาวเมื่อยังสงสัยสองอย่างเนี่ยนะสงสัยเกี่ยวกับอวัยวะเพศกับลิ้นเนี่ยสองอย่างก็ไม่อาจจะน้อมใจเลื่อมใสว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงยังไม่อยากจะเชื่อไม่ยอมจะเชื่อเพราะว่าไม่เห็นมหาุริศลักษณะเพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีมหาุริศลักษณะ 32ประการครบถ้วนสมบูรณ์นี่มันหายไปสองข้อเนี่ยหายไปสองข้อไปขอเปิดดูกันเฉยๆใครจะไปให้ดูใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็รู้ความสงสัยของพรามนั้นะนะสมัยก่อนเนี่ยอะไรนะถ้าจะฟังใครสอนก็ต้องดูโงแห้งคนนั้นก่อนว่าคนนี้นดีจริงหรือเปล่านี่แต่ว่าดูดูดูลักษณะก่อนแหะดูตั้งแต่หัวจนเท้าเลยแหละเพราะงั้นไม่ใช่ดูธรรมดา นี่มันขาดอยู่สองอย่างไม่เห็นอวัยวะเพศกับแผ่นลิ้นนี้พระพุทธเจา้ารู้ความสงสัยของเขาพระองค์ก็แลบแผ่นลิ้นออกมาคือลิ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลิ้นที่บางแดงบางไอความที่บางเนี่ยนะพระองค์ก็และก็ยาวด้วยก็สามารถที่จะมาเรียหนะาผากได้แล้วก็ลิ้นเนี่ยตวัดไปเข้าช่องหูได้ลิ้นยาวขนาดนั้นแล้วก็บางนะไม่หนา ความที่ลิ้นบางยาวเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยสามารถตรัสได้เร็วมากะนะเสียงเป็นเหตุให้พระองค์พูดเร็วเราพูดสักคำหนึ่งพระนลพูดแปดคำพระนลพูดคำหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสได้16คำ น, นะเร็วขนาดนั้นแต่พุทธานุภาพทุกคนฟังแล้วจะเป็นเสียงปกติจะเป็นเสียงปกติเรียกว่าพุทธานุภาพจะทาให้คนที่ฟังพระองค์เนี่ยจใจไม่ฟุ้งซ่าน คือด้วยรูปของพระองค์ด้วยเสียงของพระองค์เนี่ยนะอย่างที่เขาบอกว่าใครที่ไม่สบายใจเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็สบายใจแล้วเหมือนั้นใครที่อึดอัดใจได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าก็สบายใจแล้วเพราะคนที่ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าได้ฟังเสียงของพระองค์นิวรไม่กลุ้มร่มเมื่อนิวรไม่กลุ้มรมก็ส่งจิตตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะพระพุทธเจ้าจะตรัสเร็วเขาก็ฟังเร็วเขาก็ฟังเข้าใจทันทีคนที่ฟังอะไรเร็วๆไม่ค่อยรู้เรื่องเขเพราะว่าฟุ้งซ่าน เอาใจไปคิดเรื่องอื่นซะส่วนใหญ่ก็เลยตามเรื่องไม่ค่อยทันนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรนะทําในเวลาเดียวกันทําตั้งหลายเรื่องก็เลยใช้ความคิดเปลืองมากนะแบ่งไปเรื่องนี้นิดเรื่องนั้นหน่อยเรื่องนี้นู่นมันก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ยนะเพราะนิวร์มันกลุ่มรุมผู้ใดที่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าฟังเสียงพระองค์โดยเฉพาะเสียงที่กล่าวเป็นอัดเป็นทำเป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นเนี่ยคนฟังปั๊บนิวรณไม่กลุ่มรุมเนีนะจิตของเขาก็เบาอ่อน ควรแก่การงานเป็นจิต ท, ที่ไม่เศร้ามองไม่ขุนมัวเมื่อจิตใจที่ไม่เศร้ามองไม่ขุนมัวอย่างเนี้ยพระองค์ก็ประกาศอริยสัจจะทำเขาฟังทำก็บรรลุเลยี้พระองค์นี้เห็นประโยชน์ของเสรพรามณ์พระองค์ก็จะตัดความเคลือบแคลงสงสัยแก่เสรพราม์ความสงสัยของเสรพราม์เพื่อให้ แตละพราหมณ์เนี่ยเกิดความศรัทธาเนี่ยนะเกิดศรัทธาในพระมหาปริศลักษณะก่อนถ้ามีความเลื่อมใสในพระรูปก็จะเลื่อมใสในพระพระปัญญาด้วยเนี่ยนะเพราะว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะก็ต้องอาศัยรูปที่เหมาะสมมันอาศัยรูปคือมหาปริศลักษณะที่มีองค์ประกอบก็จะเชื่อมมั่นในพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นต่อไปดันั้นการที่พระองค์แสดงลิ้นแผ่นลิ้นกับ วัตถุเนี่ยนะก็คืออวัยวะเพเศเสรพรามก็จะขอบวชถ้าหากว่าพระองค์แสดงอย่างนั้นเขาก็จะขอบวชในสำนักของพระองค์บวชแล้วก็จะสำเร็จเป็นผ้ารหารันภายในเจวันเนี่ยนะบรรลุเป็นผ้ารหันในวันที่เจ็ดพร้อมกับลูกศิษย์อีกสามรอคนในเสรสูตรกล่าวว่าอย่างนั้น เพลนพระองค์เห็นประโยชน์ที่จะทำให้เสรพราหมณ์เกิดศรัทธาพร้อมกับลูกศิษย์เกิดศรัทธาและจะออกบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายในเจ็ดวันนี่แหละพระองค์ก็เลยใช้พริตนะใช้ผริตทำพระวัตถุคุยหะอันซ่อนอยู่ในฝักให้พราหมณ์ได้เห็นประจักษ์และทรงแลบพระชิวหาให้จรดถึงพระกันทั้งสองข้างแลบลิ้นแลบลิ้นไปที่หูได้นี่นะ พรามนั้นได้เห็นแล้วก็หมดความสงสัยมีศรัทธาทูลขอบวชอันนั้นทีจริงก็มีการกล่าวธรรมะด้วยนะในเสรสูตรมีการกล่าวถามพูดพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมว่าดูก่อนพรามสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเราก็ได้รู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราก็เจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราก็ละแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้านะแล้วก็ตรัสอีกหลายคา คือที่จริงแล้วพราหมณ์เนี่ยไปขอบอกว่าพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะน่าจะเป็นพระราชาพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็เป็นพระราชาอยู่แล้วแต่พระองค์เป็นพระธรรมราชาเป็นต้นเอาเมื่อพระองค์เป็นพระธรรมราชาแล้วใครเป็นเสนาบดีของพระองค์พระองค์ก็เลยแสดงให้แสดงว่านี่ไงพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระธรรมเสนาบดีนะก็มีการสนทนาอีกหลายประเด็นและพระองค์ก็บอกว่าพราหมณ์จงเลื่อมสายเธอ เพราะว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งอ่ะเราก็รู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรละเราก็ละแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราก็เจริญแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดเสรล้พราหมณ์ก็ออกบวชเนี่ยนะพร้อมกับลูกศิษย์สามรอยคนภายในวันที่เจ็ดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดพราหมณ์ได้เห็นแล้วก็หมดความสงสัยมีศรัทธาทูลบวชบวชแล้วก็ลีบออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวมีความเพียรไม่ประมาทในที่สุดก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ทีนี้คำที่พระนาเกสนชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ใดเกิดความสงสัยในพระตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะใช้พรฤิษเนี่ยแสดงพระกายอื่นอันมีส่วนเหมือนกับพระกายจริงนั้นแก่ผู้นั้นเพื่อให้เขารู้ให้เขาหายสงสัยเขาผู้เดียวเท่านั้นย่อมเห็นปาฏิหาริย์ในข้อนั้นคนอื่นไม่เห็นหรอกเนี่ยนะก็ผู้ใดสงสัยจะแสดงให้เฉพาะผู้นั้นประจักษ์ ทีนี้พระเจ้ามีรินก็ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้านากเกษตข้อที่ท่านกล่าวว่าเขาผู้อยู่ท่ามกลางบริษัทเขาคนเดียวเท่านั้นได้เห็นพระคุยหานั้นน่ะคนที่เหลือซึ่งก็อยู่ณสถานที่นั้นเหมือนกันกลับไม่เห็นดังนี้ใครเล่าจากเชื่อถือได้นะแมมพูดก็แมมเทวดาและมนุษย์อยู่เต็มหมดแล้วเห็นอยู่คนเดียว เชื่อกันได้ยังไงในเรื่องนั้นขอเชิญท่านจงชี้แจงเหตุผลแก่ข้าพเจ้าเถิดขอท่านจงทําให้ข้าพเจ้ า, เ ข, าเข้าใจด้วยเหตุผลเถอดนะพูดให้มันน่าเชื่อถือหน่อยได้ไหมอย่างนั้นแปลว่าอยู่กันตั้งมากมายบอกว่าเห็นคนเดียวเนี่ยนะพระนาคเกษก็แต่ว่าขอถวายพระพรพระองค์เคยทรงทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บป่วยบางคนที่เกลื่อนกลลอยู่ด้วยญาติและมิตรหรือไม่คนป่วยที่มีญาติมาล้อมรุมดูกันเต็มไปหมดเนี่ยนะ พระเจ้าไมลินก็บอกว่าข้าพระเจ้าเคยเห็นพระคุณเจ้าขอถวายพระพรบุรุษผู้นั้นได้สวยทุกขเวทนาใดพวกบริษัทเหล่านั้นน่ะได้เห็นทุกขเวทนานั้นหรือไม่ น, นะเคยเคยไปเยี่ยมคนป่วยไหมก็บอกเคยโดยเฉพาะคนป่วยที่ปวดฟันเนี่ยนะไอคนอื่นปวดด้วยไหมปวดอยู่คนเดียวน่ะอะไรอ่างเงี้ย น, นะนทุกขเวทนาเหล่านั้นเนี่ยประจักษ์แจ้งกับคนที่เป็นอยู่เท่านั้นน่ะคนอื่นก็พอแต่รู้ได้เท่านั้นน่ะนะไม่ได้เป็นลักษณะนั้น พระเจ้ามิรินก็บอกว่าไม่เห็นรอกพระคุณเจ้าบุรุษผู้นั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาเฉพาะตนคนเดียวเท่านั้นนะนะคนป่วยมันก็รู้เฉพาะตัวเองเท่านั้นแหละขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ใดเกิดความสงสัยในองค์พระตถาคตพระตถาคตก็จะทรงใช้พระฤทธิ์แสดงพระกายอื่นอันมีส่วนเหมือนกับพระกายจริงนั้นแก่ผู้นั้น เพื่อให้เขาได้รู้ให้เขาได้หายความสงสัยเขาผู้เดียวเท่านั้นย่อมเห็นปาฏิหาริย์ข้อนั้นเหมือนคนป่วยใช่ไหมรู้ได้แต่คนเดียวคนอื่นใครจะมาป่วยกับเราสถ้าหลายคนมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามีใครสักคนหิวเอาคนอื่นก็อยู่ด้วยกันนะแล้วใครจะ ร, ะรู้ว่าใครหิวใช่ไหมตัวรู้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนฉันใดผู้ใดมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงให้เฉพาะผู้นั้นเห็นเนี่ยนะให้เขาหายความสงสัยคนอื่นเขาไม่ได้สงสัยด้วยก็ไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนกัน ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าพูดเข้าสิงบุรุษคนหนึ่งเท่านั้นขอถวายพระพรพวกบริษัททั้งหลายนั้นได้เห็นการมาของพูดตนนั้นด้วยหรือคนถูกผีสิงเนี่ยนะใครมองเห็นผีมาสิงมั่งงั้นหาไม่ได้พระคุณเจ้าบุรุษพูดลําบากอยู่คนเดียวเท่านั้นย่อมเห็นการมาของพูดตนนั้นนะคนที่ถูกผีสิงเนี่ยเข้าใจเองเมั่งงั้น พระนาเกษตรก็กล่าวว่าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นผู้ใดเกิดความสงสัยในพระตถาคตพระตถาคตก็จะทรงใช้ภรลิศแสดงพระกายอื่นอันมีส่วนเหมือนกับพระกายจริงนั้นแก่ผู้นั้นเพื่อให้เขาได้รู้ให้เขาได้หายความสงสัยเขาผู้เดียวเท่านั้นย่อมเห็นปาฏิหาริย์ข้อนั้นเ น, นี้พระเจ้ามิลินก็ยังเรียกว่าแย่เข้าไปอีกหน่อยว่าพระคุณเจ้า ข้อที่ทรงแสดงสิ่งที่ใครๆแม้สักคนหนึ่งไม่อาจแสดงได้จัดว่าเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําสิ่งที่ทําได้ยากเลยนะแหมทำยากกันนะถึงขนาดเปิดอวัยวะให้ดูกันเลยเนี่ยทํายากมากเหมงอนกันแต่พูดนี้ไม่ได้พูดชมนะพูดถากทางเหมือนันนะถากทางเกิมันทํายากนะขนาดถึงขนาดเปิดผ้าให้เขาดูเลยเหมงอนกันขอถวายพระพรพ ร, พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงแสดงพระคุยหาจริงหรอก าว่าพระองค์ใช้พระฤทธิ์เนี่ยแสดงเพียงพระฉายาเรียกว่าทำเงาให้ดูพอรู้ได้เท่านั้นแหละไม่ได้เปิดจริงอะไรหรอกพระคุณเจ้าเมื่อเขาได้เห็นฉายาคือเห็นเงาเนี่ยนะก็นับว่าเป็นเป็นอันได้เห็นพระคุยหาจริงนั่นแหละเพราะพอเห็นแล้วก็ปลงใจได้คือพอเห็นเห็นแต่เงาก็เชื่อได้มันก็เหมือนกับเห็นของจริงแหละไม่จะไปต่างอะไรจากของจริงล่ะ ขอถวายพระพรพระตถาคตทรงกระทําสิ่งที่ทําได้ยากอย่างหนึ่งคือการที่ทรงโปรดสัตว์ผู้อาจโปรดให้ตรัสรู้ได้ให้รู้ได้คือพระพุทธเจ้าสิ่งที่ยากจริงๆของพระพุทธเจ้าก็คือว่าการช่วยเหลือคนที่พอช่วยได้การให้ผู้ที่พอจะบรรลุมรรคผลได้บรรลุมรรคผลได้อันนี้สิคือสิ่งที่ทําได้ยากสําหรับพระพุทธเจ้าใครจะไปรู้นะถ้าเป็นอย่างเราๆทั้งหลายใครจะไปรู้ว่าใครพอจะบรรลุได้ แล้วคนที่พอบรรลุได้พอจะบรรลุได้ด้วยวิธีใดแล้วใครจะรู้แต่นี่พระพุทธเจ้ารู้รู้นะว่าคนนี้พอจะบรรลุได้และพอจะบรรลุได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ใช้วิธีนั้นจนเขาได้ตรัสรู้ขอถวายพระพรถ้าหากว่าพระตถาคตทรงเลิกละการกระทําการโปรดสัตว์ให้รู้สัตว์ทั้งหลายก็ไม่อาจจะรู้ได้ ขอถวายพระพรก็เพราะเหตุที่พระตถ า, าคตทรงเป็นผู้รู้จากวิธีการที่จะโปรดสัตว์ผู้อาจโปรดให้รู้ได้ให้ได้รู้สัตว์ทั้งหลายผู้อาจโปรดให้รู้ได้ย่อมรู้ได้ด้วยวิธีการใดๆก็ทรงใช้วิธีการนั้นๆโปรดสัตว์ผู้อาจโปรดให้รู้ได้ ให้ได้รู้ น, นะควับใช้วิธีใดก็ได้ขอให้มันช่วยเขาได้จริงนะจะใช้วิธีวิจิตพิสดารขนาดไหนถ้าทําได้แลว้วอ่ะเขาจะบรรลุได้จริงพระองค์ก็จะทําเพราะพระองค์รู้วิธีการทั้งหมดขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าคนเจ็บป่วยจะเป็นผู้หายจากโรคได้ด้วยยาใดๆสรลยะแพทย์ก็ใช้ยานั้นๆรักษาคนเจ็บป่วย ทำให้อาเจียนออกมาทำให้ถ่ายออกมาใช้ทาส่วนที่ต้องทาใช้อบในส่วนที่ต้องอบฉันใดขอถวายพระพรศาสตรทั้งหลายผู้อาจโปรดให้รู้ได้ย่อมรู้ได้ด้วยวิธีการใดๆคือผู้ที่พอจะบรรลุได้บรรลุได้ด้วยวิธีการเหล่าใดพระตถาคตก็จะใช้วิธีการอย่างนั้นโปรดให้ผู้นั้นได้รู้ฉันนั้นเหมือนกัน ขอให้จะบรรลุได้เท่านั้ น, นจะวิธีใดอย่างไรอะ่ะถ้าพระองค์ช่วยได้พระองค์จะไม่ลังเลเลยจะไม่ชักช้าจะต้องไปแบบเร่งรีบก็จะไปไ น, นะไปแบบถ้าพูดแบบสำนวนเราเขาเรียกว่าเหมือนกัแทบจะไม่ได้เก็บของเลยเรไปแล้วเนี่ย น, นะอย่างที่พระองค์อยู่ในพันักกุฏิของพระองค์เนี่ยปิดใช่ไมไม่รู้ว่าพระองค์อยู่หรือไม่อยู่ไม่มีใครรู้หรอกว่าพระองค์ไปโปรดใครที่ไหนเมื่อไรไปอย่างไรเนี่ยนะบางทีเนี่ยฉันเสร็จไปเลย นะเดินดุมดุมดมๆุ ม, ม, ม, มคนเดียวพระพิสูจไม่มีติดตามไปแม้แต่องค์เดียวเช่นกิตรีบไปแบบรีบไปเพื่อจะไปโปรดแบบรีบเลยเนี่ยเช่นไปโปรดพระเจ้ากัปปินะนี่ก็ไปแบบเร่งรีบไปโปรดพระมหากัะสปะก็ไปแบบเร่งรีบสเสด็เ จ, จาริกโดยเร่งรีบหรือไปโปรดพระองค์คุลิมานเนี่ยนะโปรดปกุศสาติพวกนี้ก็ไปแบบเร่งรีบนะพันพระ อ, องค์รู้วิธีว่าถ้าจะโปรดเขาต้องเมื่อไรที่ไหนและ อย่างไรเนี่ยรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นการแสดงอริยศาสตร์ของพระองค์จึงมีผลก็คิดดูนะว่ากว่าจะประกาศอริยศาสตร์ให้เขาดูได้ต้องแลบลิ้นให้เขาดูอะ่ะถ้าแลบลิ้นให้เขาดูแล้วเขาจะเห็นอริยศาสตร์ได้ก็ต้องทําแต่หมายความว่าวิธีการอันหนึ่งที่จะช่วยให้เขาเห็นอริยศาสตร์คือการแลบลิ้นด้วยแล้วก็แสดงเงาที่เรียกว่าเปิดเหมือนกับเปิดอวัยวะเพศให้ดูด้วยถ้าเขาจะพอบรรลุได้ก็ทำเนี่ยนะ ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าหญิงผู้มีขันหลงเนี่ยนะหญิงขันหลงก็คือกระว่าไม่คลอดซาทีเนี่ยนะจำต้องให้หมอได้เห็นของลับอันเป็นของไม่ควรเห็นฉันใดขอถวายพระพรทัรตถาคตก็ทรงใช้พระฤทธิ์ให้เขาเห็นพระคุยหาอันเป็นของไม่ควรเห็นซึ่งเป็นเพียงพระฉายาเพื่อที่จะโปรดสัตว์ผู้อาจโปรดให้รู้ได้ให้ได้รู้ฉะ น, นั้นเหมือนกันเนี่ยนะ ทั้งๆ ท, ที่ไม่สมควรจะเปิดก็ต้องเปิดกันละขอถวายพระพรมุ่งถึงบุคคลแล้วโอกาสที่ชื่อว่าไม่สมควรแสดงหามีไหมแปลว่าถ้าใครพอจะสงเคราะห์ได้เนี่ยนะพอที่จะช่วยเหลือได้มีอะไรบ้างที่ทำไม่ได้บ้างั้นขอถวายพระพรถ้าหากว่าบางคนต้องเห็นพระหัตไทยคือหัวใจของพระตถาคตเสียก่อนจึงจะตรัสรู้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงแสดงพระหัตไทยแม้แก่บุคคลนั้น มหาบาพิษพระตถาคตทรงเป็นผู้รู้จักวิธีการทรงเป็นผู้ฉลาดในเทศนาบางครั้งต้องเจ็บป่วยแล้วเขาจึงจะรู้ได้ก็ต้องเจ็บป่วยกันแหะว่างั้นนะจริงๆอ่ะถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเข้าใจวิธีการโดยที่ไม่ให้เจ็บป่วยเนี่ยทำได้ไหมพระองค์มีประโยคะที่ไม่ต้องป่วยเนี่ยพระองค์ทําได้ไหมทําได้ทําไมจะทําไม่ได้แล้วทําไมพระองค์ต้องป่วยละ่ะเพราะว่าการป่วยของพระองค์เนี่ยอันหนึ่งละ่ะเหตุผลหนึ่งละ่ะที่จะช่วยให้เขาบรรลุได้ ให้มีพวกที่บรรลุได้พระโอคณะพระพุทธเจ้านะมีพระสรีระเช่นนี้มีพาร ะ, ะกําลังขนาดนี้พระองค์ยังป่วยเลยแล้วเราล่ะแต่พ่อคิดอย่างนี้เข้าก็รีบปฏิบัติเลยใช่ไหมก็ได้เห็นอริยสัจเป็นต้นทั้นหลายหลายอย่างทุกอย่างที่เป็นพฤติกรรมคําพูดของพระองค์ทุกอย่างที่แสดงให้ประจักษ์แก่โลกแก่ชาวโลกทั้งมวลเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมคําพูดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อ ความสุขแกเราสรรพัสัตว์ทั้งหลายจริงๆแต่ว่าอาจจะโปรดใครได้อีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่เราก็ได้แต่ว่าจากทุกอย่างที่พระองค์โปรดเนี่ยพระองค์ช่วยสัตว์ให้ประสบความสำเร็จได้จริงทันสมัยพู้การจึงมีผู้ตรัสรู้อริยสัจเห็นทาตามพระองค์หาประมาณไม่ได้นะก็ด้วยด้วยกรูนาเนี่ยนะด้วยกรุณาเป็นหลัก ขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงความที่พระนันทะยังไม่หลุดพ้นแล้วจึงทรงนำพระเถระนั้นไปสู่เทวภพคือดาวดึงให้เห็นนางเทพกัญญาทั้งหลายด้วยพระด้วยทรงรำเรว่าด้วยวิธีนี้กุลบรผู้นี้จักตรัสรู้ได้ดังนี้มิใช่หรือซึ่งกุลบดผู้นั้นได้ตรัสรู้แล้วด้วยวิธีนั้นจริงขอถวายพระพร ท่าตถาคตทรงตำหนติเตียนความสวยงามคือตำหนิรูปโดยประยายเป็นอันมากทรงรังเกียจอยู่อย่างนี้ก็ยังโปรดให้พวกนางฟ้าเนี่ยผู้มีเท้าแดงอ่อนให้พนันทะได้เห็นทั้งทั้งที่เห็นแล้วปกตินี่เห็นแล้วใจไม่ค่อยปกตินะคือถ้าถ้าเป็นแบบคนทั่วๆไปเนี่ยอย่างพานันทะเนี่ยเห็นมาปั๊บเนี่ยลืมหมดเลยหญิงมนุษย์คนงามของมนุษย์ทั้งหลายลืมหมดเลยนึกถึงแต่นางฟ้าอย่างเดียวเอ๊จะได้นางฟ้าต้องทํำยังไงบ้าง ก็เลยหันกลับมาสนใจประพฤติข้อปฏิบัติในที่สุดท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุที่จะโปรดให้พระเทระนั้นได้ตรัสรู้พระตถาคตทรงเป็นผู้รู้จักวิธีการฉลาดในพระเทศนาแม้อย่างนี้ตรงนี้เนี่ยสรรเสริญพระคุณอันหนึ่งของพระพุเทธเจ้าคือ พระองค์มีอาศยานุสยายานเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีอาศยานุสยายานมีอินริยาโปรปริยัติยานคือความที่พระองค์เนี่ยรู้เลยว่าความยิ่งความย่อนอัทธยาสายจริตอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์รู้ว่าเขาเป็นภพภสัตหรืออภัตควรตรัสรู้หรือไม่ควรแก่การตรัสรู้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเขาเป็นอย่างไรแล้วผู้มีศรัทธาแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้พระธรรมเทศนาแบบไหน แสดงธรรมเทศนาเหล่าใดศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเขาจึง จ, จะเจริญแสดงธรรมเทศนาเช่นใดการปฏิบัติธรรมของเขาจ ะ, จ ะ, จะเจริญเจริญบริบูรณ์เต็มเปี่ยมจนตรัสรู้อริยสัจได้พระองค์เนี่ยรู้วิธีการรู้หลักการทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยทั้งๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าปกปติเนี่ยตำหนิเรื่องรูปนะรูปอ่านะ โรคคือโรคคือฝีคือลูกสอนเป็นต้นพระองก็แสดงโดยประการต่างๆแต่พอเจอกรณีพระนัน้านี่ต้องพาไปดูนางฟ้าเนี่ยนะในที่สุดก็โปรดพระนัน้านให้ตรัสรู้อริยสัจได้